บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในข้อที่ทรงสอนให้รู้ถึงสภาพจิตของตนในแต่ละขณะคือจิตมีราคาหรือไม่มีราคาเป็นต้นก็ให้รู้ตามนั้นโดยเฉพาะในช่วงของจิตมีโมหะ หรือจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะสภาพจิตที่ประกอบด้วยโมหะนั้นได้ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นหลักสังเกตโดยอนเนกกระปริยายเนื่องจากโมหะก็คือตัววิชาซึ่งเป็นต้นขาวของกิเลสทั้งหลายและเป็นกิเลสที่ละได้ ในครั้งสุดท้ายแห่งการบรรลุความเป็นพระอาหารหันต์หรือการจัดสรูเป็นพระพุทธเจ้ากต็ตามการปรากฏตัวของโมหะจึงปรากฏในลักษณะต่างๆบางครั้งบางคราวท้าหากว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องกําหนดพีนิพพิจนาแล้วก็ไม่รู้จักลักษณะของโมหะอย่างแท้ จ, จริง ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโมหะนั้นมีลักษณะปิดบังปัญญาจากสุขดวงตาคือปัญญาของคนเป็นสภาวะเบื้องต้นคำว่าสภาวะนั้นเช่นว่าดําก็มีสภาวะเป็นดํามืดก็มีสภาวะที่ทําให้มองไม่เห็นอะไรเป็นต้นสีดําหรือสีขาวหรือสีอื่นๆ นั่นก็คือตัวสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไปทาเข้าในที่ใดมันก็จะก่อให้เกิดสภาวะอย่างเดียวกันเช่นสีดําไปทาไว้ในผ้าหรือที่ผ้าผนังก็จะทําให้ผ้าหรือผ้าผนังนั้นดําไปโมหะนั้นเป็นเจ ต, ตสิก ค, คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตใ จ, จของบุคคล ซึงตามลักษณะของเจตสิกแล้วก็เป็นได้ทั้งกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆโมหะเป็นเจตสิกฝ่ายอากุศลเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์อันเดียวกับจิตดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบโมหะจึงเป็นเหมือนสีที่บุคคลใส่ลงไปในน้ำ ก็จะทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสีที่บุคคลใส่เข้าไปจะมากหรือน้อยก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปโมห oh ะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะอาศัยสภาวะของตนซึ่งปิดบังปัญญาปรากฏแก่จิตของบุคคลในลักษณะ4ประการด้วยกัน ประการแรกคือทาให้บุคคลไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุจริตประการที่สองทำให้บุคคลไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุจริตประการที่สามาให้บุคคลไม่รู้ความมีอยู่ของพบทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและแม้ในอนาคตประการที่สทํทให้บุคคลไม่รู้สภาวะของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาท กรีจะเห็นได้ว่านในแง่ของทุจริตก็ขึ้นอยู่กับอาการของโมหะที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลพระทุจริตนั้นมีทั้งกลางทั้งทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดยกตัวอย่างในกรณีของศีลข้อที่หนึ่งคือปานาทิบาทุจริตอย่างหยาบได้แก่การทำลายล้างชีวิตของคนสัตว หรือทำอันตรายแก่ชีวิตของคนสตัตว์ลงนั้นแต่ว่าทุจริตในส่วนนี้ที่เป็นอย่างยากอย่างกลางคือการที่จิตนึกแช่งหรือผูกอาคตามาต ร, รายต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นประสบความผินาาโดยเฉพาะคือคือคนที่ตนไม่ชอบอยู่ แต่ถ้าลึกขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นปทุสจิตคือจิตที่ยังมีความยินร้ายในอารมณ์ซึงตนไม่พอใจก็นี้จะพบว่าอารมณ์ที่บุคคลมีความยินร้ายนั้นบางครั้งบางคราวก็เป็นอารมณ์ที่ประณีตแต่ชั้นของความละเอียดแล้วสภาพจิตก็เปลี่ยนแปลงไป คือก็อให้เกิดความขุ่นโมโหเศร้าหมองในชั้นนี้ท่านเรียกเป็นรูปของปฏิฆะบ้างรูปของสกายทิทิบ้างรูปของความเคลียบแครงสงสัยบ้างนี่ก็คือลักษณะทุจริตที่สอบลงไปโดยลำดับประการต่อไปคือทุ จ, จริตในจุดเดียวกัน เช่นว่าการแสดงออกมาทางกายทางวาจาในรูปของการเมตตาหนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่ก็เป็นสุ ด, สดจริตที่บุคคลแสดงออกมาได้ปรากฏแก่สายตาของวิญญูชนทั้งหลายและเป็นที่ยอมรับยกย่องของวิญญูชนทั้งหลายสุจริตในชั้นที่ละเอียดลงไป ก็คือจิตใจที่มีความมั่นคงในคุณของพระธนรตรัยเป็นตน้นจิตใจไม่สับสนว่าวุ่นไปในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นสุจริตอย่างกลางและสุจริตอย่างละเอียดก็หมายถึงจิตที่กรอบด้วยกรุณาเป็นพื้นฐานจริงๆ แม่สัตว์จะเปลี่ยนแปลงไปการแสดงออกของคนของสัตว์เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตใจของบุคคลที่เข้าถึงสุจริตระดับนี้จะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของคนของสัตว์หรือของโลกดังนั้นความรู้สึกเหล่านี้จึงเป็นความรู้สึกที่ละเมิดละไมามากคนประเภทหนึ่งนั้น ไม่สามารถจะแยกได้ระหว่างทุจริตกับสุดจริตแม้ระดับที่หยาบหยากยา ก, การประกอบอาชญากรรมความผิดต่างๆของบุคคลทั้งหลายจึงมีโมหะเป็นมูลมีโมหะเป็นตัวครอบงาใจให้เกิดขึ้นการแสดงออกอาจจะเกิดขึ้นในความโลภ บ, บ้างความโกรธบ้างแต่ก็มีโมหะเป็นตัวปรักดัน ให้เกิดพฤติกรรมการกระทําเช่นนั้นโมหะที่สัมแดงออกมาในชั้นกลาง <c oughs> ก็ก่อให้เกิดความคิดที่เป็นทุจริตเช่ <c oughs> นในกรณีของศีลที่ยกมาแล้ว <c oughs> ก็คือความคิดในทํานองอาคตาพยาบาทโมหะที่สัมดงออกมาภายในจิตใจโมหะที่สัมดงมาในชั้นกลางนี้ คนพวกหนึ่งก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นสุจริตหรือเป็นทุจริตบางครั้งปล่อยให้จิตใจถูกอารมณ์ที่เป็นทุจริตเข้าครอบคงำทุจริตบางครั้งก็แปลว่าความประพฤติบางครั้งก็แปล ว, ว, ว่าเที่ยวไปหรือแล่นไปเป็นอาการแล่นไปของจิตในอารมณ์ที่เป็นทุจริตแต่เจ้าของจิตก็ไม่รู้ว่าเวลรนี้จิตไปนในทุตกไปในทุจริตหรือบางคราวจิตแล่นไปในทางสุจริต ก็ไม่รู้ว่าขณะนี้จิตเป็นสุจริตจิตของตนประกอบด้วยสุจริตการสอนในชั้นนี้จึงเป็นการสอนในรู้จิตในแต่ละขณะจริงๆถ้าปัญญาไม่ปรากฏแจ่มชัดหรือสมาธิอ่อนไปบุคคลก็ไม่สามารถจะรู้จิตของตนในขณะนั้นๆ้แลปฏิบัติให้สมควรแก่จิตที่บังเกิดขึ้นได้ ส่วนบุคคลบางพวกนั้นได้แก่ท่านที่ได้บรรลุฌานแล้วเป็นต้นซึ่งดูเหมือนไม่มีอาการของโลภะตัวสะโมหะจูพระจิตถูกบังคับไว้ด้วยกำลังแห่งฌางนบ้างบางทีก็ด้วยกำลังแห่งมรรคโดยซ้ำไปแต่ก็ยังมีส่วนแห่งทุจริตที่เบาบางอยู่ภายในใจ ในสุจริตเองก็ยังไม่เต็มเปี่ยมภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติมีตัวอย่างนิทานบุคคลเป็นนั้นมากที่ปฏิบัติไปถึงชั้นที่จิตสงบจากโลภะโทสะโมหะด้วยกําลังของฌานแล้วก็หยุดเพลิดเพลินอยู่ในที่นั้นนี่แสดงให้เห็นอาการของโมหะแต่เป็นโมหะที่ประณีตลงไปเท่านั้นเอง เพราะยังมีทาเบื้องสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นแต่ท่านก็เกิดหลงเกิดเข้าใจว่ามีอยู่เพียงเท่านั้นก็หยุดความเพียงพยายามต่อไปแต่ยิ่งกันไปกว่านั้นบางคนยังแสดงออกมาในลักษณะบอกกล่าวว่าคนอื่นเข้าใจว่าตนมีสภาพติดเป็นเช่นนั้นแตเ่เพราะเป็นความหลงที่ละเมิดละไมไม่ได้เจตนาที่ประกอบด้วยทุจริตต้งๆ ในทามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเองก็ยกเว้นไม่ปรับอาบัติแก่พระ ท, ที่พูดด้วยความเข้าใจผิดในชัน้นนี้บาลีตั้งใช้คำว่าอธิมานะเป็นการหลงผิดเข้าใจผิดในระดับสูงเพราะไปติดกับความสงบไปเพลินกับความสุขปีติดความสงบที่ปรากฏอยู่ในฌาน แม้แต่ระดับของพระยะบุคคลจะเห็นได้บ่าพวกกิเลสประเภทนี้จะอยู่ข้างล่างสุดคืออยู่ลึกที่สุดได้แก่ตัววิชาซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายที่พร ะ, ระยะบุคคลสามประเภทแรกไม่สามารถจะตัดได้ขาดได้โดยเด็ดขาดนอกจากพระอาหารหันต์เพียงพวกเดียวเท่านั้นและการของโมหะประการต่อไป ที่ปิดบังปัญญาของบุคคลเอาไว้ก็คือความไม่รู้ภพชาติต่างๆไม่รู้ถึงความมีอยู่ของภพชาติในอดีตไม่รู้ถึงความมีอยู่ของภพชาติในอนาคตและไม่รู้ความมีอยู่ของภพชาติแม้ในปัจจุบันลักษณะของความไม่รู้เหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นสามชาั้นได้เช่นเดียวกันในชั้นแรกนั้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยโมหะในแนวนี้จะไม่ค่อยอินังขังขอบในการประพฤติปฏิบัติของตนจนเกิดเป็นทุกภาสิทธิ์ขึ้นในหมู่คนบางพวกที่มุ่งสนองต่อความต้องการของตนในด้านเนื้อหนังมังสาในด้านวัตถุสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันโดยไม่คำนึงถึงการได้มาถึงสิ่งเหล่านั้นคนบางคนนั้นปฏิเสธไปเลย แสดงว่าโมหะปิดบังปัญญาเอาไว้หนาทึบจนไม่ยอมรับรู้เหตุผลอะไรการกระทำของบุคคลประเภทนี้ก็แสดงออกมาในลักษณะที่หฤโกรดด้วยประการต่างๆเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเท่านั้นก็พร้อมที่จะฆ่าพร้อมจะทำนทำลายพร้อมที่จะผิดศีลได้ทุกข้อก็เพียงแต่ได้ตอบสนองความต้องการของ ต, ององตนเท่านั้น แต่คนประเภทนี้เองระดับนี้เองอยอมรับนิดหน่อยแต่ว่าจิตใจหนักไปในทางที่ไม่เชื่อไม่ยอมรับความมีอยู่ของภพชาติจนมีทุกขสิทธิ์บางคำเกิดขึ้นเช่นที่ว่าชั่วเมืองผีก็ขอให้ดีบองคนก็แล้วกันจะขอสนุกไว้ก่อนขอได้ผลประโยชน์ไว้ก่อนส่วนจะตายไปแล้วตกนรกอะไรก็ตามใจ นี่ก็แสดงว่าหยาบน้อยลงจะเทียบกับประเภทแรกที่ยังมีความเคลือบแครงสงสัยอยู่นิดหน่อยยอมรับความไม่อยู่ของพบบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับคุ้มครองใจตัวเองได้ในชั้นหนึ่งนั้นดังที่เคยแสดงไว้ในปรมมาชาะสุดพระกุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงให้เห็นว่าแม้คนระดับสู ง, สง ดาบที่บำเพ็ญเพียรจิตมาชั้นสูงตีเสว่าถึงในวสัญญาณสัญญาญตะนะฌ า, านทีเดียวคือถึงอรูปฌานสูงสุดก็ยังมีโมหะอยู่เราจะทำให้ท่านเหล่านั้นซึ่งระลึกชาติได้เมื่อท่านระลึกแล้วท่านจะไปติดตามกำลังฌานของท่านลักษณะฌานที่บังเกิดขึ้นหรือลักษณะของญาณ ที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุตยานซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นมันมีอาการเหมือนแสงสว่างที่มีปริมาณหนึ่งสองแสงไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ที่จุดนั้นต่อจากนั้นก็เป็นความมืดถ้าก็มองไม่เห็นอะไรในส่วนของความมืดถ้าก็ไม่นิจใช้ตัดสินเอาเพียงทัานั้นเดี๋ยวเฉพาะขอบข่ายที่ท่านเห็นเท่านั้นเอง ตอนนี้ดูตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์เช่นสมัยพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกมาทางอินเดียมาเจอทะเลเข้าท่านร้องให้พวกอมาตราชาราชบริพานกราบทูลถามมาร้องให้ทำไมท่านบอกว่าเสียดายไม่มีประเทศจะโจมตีอีกแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านโจมตีได้นั้นน้อยไปนี่ก็คือโมฆะ ที่ปรากฏออกมาในรูปของความไม่รู้ลักษณะของโลกจะถือว่าถึงขอบสมุดก็จบแล้วอาการก็โมหะอย่างนี้จึงปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆเมือม่อวิเคราะห์ดูจิตของตนพึงรู้ว่าอาการทั้งหมดนั้นเป็นโมหะก็ยังมีสิ่งอื่นอีกเป็นอันมากที่ตนไม่รู้กนาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นที่ทีหสองประเภทที่กล่าวไว้ในประมาชารสูตรนั้น มีเป็นจำนวนมากที่ท่านได้อุเพนิวาสารนสุญยานแต่ยาณของท่านมีส่วนจำกัดจะนระลึกได้ชาติได้ร้อยชาติก็กำหนดว่าเพียงเท่านั้นเองชาติสุดท้ายเป็นอะไรท่านก็สันนิษฐานาว่าท่านนั้นมาจากมันแล้วก็สรุ ป, ปรวมว่าชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากจุดนั้นเองสมมติท่านระลึกชาติได้ที่ร้อยท่านเป็นพรหม ท่านก็เข้าใจว่าท่านเองนั้นมาจากพรหมไปจากความรู้ที่จำกัดเท่านั้นตั้งก็สารนิฐานว่าคนอื่นก็มาจากพรหมแล้วในที่สุดก็สรุปรวมสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมาจากพรหมพรหมจึงกลายเป็นสภ า, าวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งสาหรับท่านเหล่านั้นอย่างเช่นได้ยกตัวอย่างมาในเรื่องพุทธชัยมงคลข้อที่ปด ที่พระพุทธเจ้าทรงไปประมาณประกาพรหมก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านอนุรกชาติได้เพียง27ชาติทุกชาติย้อนไปนั้นปรากฏว่าชานท่านไม่เคยเสื่อมถึงจุดสุดยอดคือเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นจากใดที่ชานไม่เสื่อมก็ต้องเกิดเป็นพรหมตัวนจะพรหมชั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของชานเมื่อท่านอนลึกได้ชาติได้เพียงยสบ็ชาติเท่านั้นถ้ากอชาติ ที่27คือชาติแรกที่นับย้อนหลังไปเป็นชาติที่หนึ่งหรือเป็นชาติที่27นั้นก็เป็นต้นขาวของรรสัพพสิง์แล้วก็สมมติสันนิษฐานเอาเลยสรุปลงไปเลยสัพพสิง์ก็มาจากพรหมความเชื่อในแนวนี้จึงเป็นอาการของโมหะที่สามารถตั้งศาสนาได้เพราะอะไรพระแสงสว่างมีอยู่ส่วนหนึ่ง และสามารถจอธิบายให้บุคคลเข้าใจในขอบข่ายแสงสว่างที่ตนมองเห็นได้คณาจารย์เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาลก็มีเป็นนั้นมากแม้แต่อาจารย์พระพุทธเจ้าคื อ, อ, ท, อท่านอุตกดาบทอารามท่านอารดาบทการามโคตอุทกดาบทรามบุตรก็มองเห็นเท่านั้นก็สรุปรวมไว้เสร็จว่าสรรพสิ่งมาจากนั้นอย่างนี้ก็ยังเป็นอวิชชายอยู่ แต่เป็นอวิชชาที่ดีหน่อยเท่านั้นเองเพราะยังไงยังไงสภาพจิตก็ประณีตขึ้นสูงขึ้นและก็มองเห็นสุดจริตทุดจริตดี๋ยวน้อยก็ในมุมที่หยาบๆ ย, ยาบได้ชัดเจนขึ้นอาการของอวิชชาในระดับนี้จึงมีอยู่เรื่อยไปจนถึงแม้แต่ระดับของพระอนาคามีดังกล่าว เพราะการนัลึกชาติของท่านยังจํากัดอยู่แต่พระนาคามีท่านไม่ได้ตกไปฝ่ายมิจฉาทิจิคือพอเริ่มจากประโสดาบันแล้วก็ไม่มีแล้เรื่องมิจฉาทิจิคือจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้อยู่แล้วท่านจะเพียรพยายามรู้ต่อไปพอถึงเป็นพระอาหารหันต์ก็รู้ว่าหมดสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็หยุดความพยายามเพราะไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเนื่องจากไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้ ดังนั้นการรู้เรื่องของภพหรือปัจจัยแห่งภพนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยปุเพนิวาสานุสติญาณที่มองได้ไม่จํากัดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระานทั้งหลายรูปถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะหลงทางก็ยังมีอยู่ความสวัสดีในสังสารวัฏช่วงยาวยังไม่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น ที่ทรงใช้คาว่าบุคคลไม่ควรถึงความวางใจว่าพอแล้วสมบูรณ์แล้วเนื่องจากยังมีเรื่องข้างหน้าอีกมากมายดังนั้นในสามช่วงนี้โมหะในสามช่วงนี้สภาพจิตอีกอีกฟากหนึ่งคือคือไม่มีโมหะได้แก่การรู้สภาพจิตของตนตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นนั้น จนจิตประกอบด้วยทุสุจริตก็รู้ว่าจิตเป็นสุจริตหรือแม้แต่ทุจริตบังเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่เป็นอาการของทุตจิตจะลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นแต่ล้สิ่งที่ยิ่งละเอียดปัญญายิ่งมากก็คล้ายๆกับวัตถุที่ละเอียดเครื่องมือจะดูวัตถุนั้นจะต้องมีคุณภาพสูงถึงบางครั้งบางคราวต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นต้นการดูสภาพจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าปัญญาไม่สว่างมากพอก็มองไม่เห็นแต่เมื่อปัญญาสว่างมากก็จะมองเห็นคราวนี้พิงดูตัวอย่างว่าแสงสว่างปริมาณของแสงสว่างขนาดหนึ่งในพื้นที่ที่เรานั่งอยู่นั้นเราจะเห็นสิ่งต่างๆในลักษณะอย่างห น, นแต่ในจุดนั้นเองและสิ่งที่เราเคยเห็นนั้นเองเมื่อแสงสว่างมากขึ้นจะมองได้ละเอียดขึ้น นี่ก็คือปริมาณของยานที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อขจัดโมหะที่มีอยู่ภายในจิตใจและในด้านภพชาติแม้ว่าตนเองจะมองไม่เห็นภพชาติแต่อาศัยความเชื่อมั่นในพระสัพพัญญตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะยอมรับถึงความจริงว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหัน์ ได้จัสรู้ดีจัสรู้ชอบโดยพรุงเองและทรงสแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ก็มีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจมีที่อิงที่พักพิงของใจเกิดความสับสนขึ้นภายในใจจะด้วยอาการของความฟุ้งสัน้นหรือด้วยอาการของวิจิกิจฉากก็าตามก็จะมีที่เกาะที่ยึด ต่อสัพพัญยุตยานของพระผู้มีพระภาคยาว่วไว้จิตของบุคคลก็จะเดินไปในคันลองแห่งธรรมที่ทรงแสดงไว้ได้ประการที่สนั้นก็คือความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นคือธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น เป็นกระบวนการของธรรมะและสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะฝนตกน้ำไหลไฟสว่างคนเดินคนแก่คนเจ็บคนตายก็ต่างตลอดถึงลมหายใจรับประทานอาหารขับถ่ายด้วยแล้วจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นองค์ธรรมที่พระพุเทธเจ้าสัรโร เราบางคาั ง, างรังบรรพราเราพูดเป็นอริยสัจแต่บรรพราก็พูดเป็นปฏิจจสมุปบาทที่จริงปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจก็คือเรื่องเดียวกันการแสดงอริยสัจนั้นเป็นการแสดงในชุดสรุปแต่การแสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงในชุดที่เป็นเหตุปัจจัยซึ่งอิงอาศัยกันตามปกติแล้วแนวการแสดงของพระพุทธเจ้านั้นจะแสดงใน4แนวแล้วกัน แนวแรกนั้นเหมือนการตัดเถาวัลย์ที่โคนแล้วก็ดึงออกมาจนถึงปลายเลยเอามาทั้งเถาวัลย์นั้นแลแสดงว่าจะเริ่มต้นที่อาวิชามาเลยแลแสดงไปโดยลาดับจิงแนวหนึ่งนั้นจะจับที่ปลายแล้วก็สาวมาหาที่โคนแล้วมาตัดที่โคน จะเป็นการแสดงมาจากพบชาติหรืออาจจะพูดถึงเรื่องอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและจะย้อนขึ้นไปสู่มูลเหตุของสิ่งเหล่านั้นแต่บางคราวจะตัดตรงกลางอันตรยศอาจจะย้อนมาโคนหรือย้อนมาปลายก็ได้ส่วนมากแล้วจะจับที่อาหารที่เวทนาที่ตันหาสองสามจุดนี้ เพือย้อนกลับไปที่ยววิชาก็ได้ย้อนกลับย้อนลงมาที่ชาติก็ได้เป็นอุบายวิธีในการแสดงโดยบุคคลจับหลักในการประพฤติปฏิบัติได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงต้องมองในจุดที่เป็นสามัญธรรมดาให้เห็นเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดสืบเนื่องมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการใดกันตัวอย่างง่ายๆเช่น กระแสน้ำที่ไหลอยู่ได้ตลอดนั้นเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างฝนตกมาในสถานที่ต่างๆน้ำไหลามารวมกันในลำธารเล็กๆในลำคลองในแม่น้ำไหลกันลงมาเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วส่วนหนึ่งก็จะถูกแผดเผากลายเป็นเม็เป็นไอน้ำลอยขึ้นไปเกาะกลุ่มเป็นเมฆได้เหตุปัจจัยก็ตกลงมาหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ ถ้าสาปใดที่เหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่สาบนั้นฝนฟ้าน้ำท่าทั้งหลายก็ยังมีอยู่ส่วนจะมากหรือน้อยจนท่วมกรุงเทพหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะบางปีน้ําก็ไม่ท่วมบางปีน้ําก็ท่วมแต่ใ น, นเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงมีอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายบางครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดง วราการที่เราและเธอทั้งหลายต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากนั้นก็เพราะไม่รู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทบ้างบางคราวก็ทรงแสดงว่าเพราะไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้ง4ประการบ้างทําไมจึงพูดไม่ลงกันเพราะคนบางพวกนั้นมีปัญญาลึกซึ้งพูดจะปฏิจจสมุปบาทเฉยแต่บางคนก็พูดระดับของอริยสัจทั้งสี่หบางทีก็แสดงไม่ได้เต็มทั้งชุด เพราคนฟังไม่มีความสามารถที่จะฟังได้ทั้งชุดก็เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้บุคคลเป็นแนวทางแห่งความจริงของชีวิตจะได้หลักยึดียวในการประพฤติปฏิบัติของตนปฏิจติสมุปบาทนั้นเริ่มต้นด้วยเหตุปัจจัยก็ทํานองที่เรียกว่ามีปู่ทวดก็มีปู่มีปู่ก็มีพ่อมีพ่อก็มีเรามีเราก็มีลูกมีลูกก็มีหลานเลี้ยว่ากันไปเรื่อย ศาสตร์ใดที่ไม่หยุดที่ในจุดใดจุดหนึ่งก็มีอยู่ได้เรื่อยไปเพราะการสืบต้นต่อของมนุษย์มาจากที่มาจากเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันก็สืบต่อกันมาอย่างนี้แช่วงบางช่วงก็ขาดไปได้เบานกันขาดจะเป็นสายๆได้เช่นบางะกูลบางสกุลไม่มีผู้สืบสกุลแล้วก็ะกูลนั้นก็ขาดแต่ว่ามนุษย์นั้นก็ยังมีอยู่ในโลกเพราะบางสายไม่ได้ขาดลักษณะของ ชีวิตของธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันสายปฏิจจสมุปบาทบางคนก็ตัดได้ขาดทั้งสายก็จบกันแต่บางคนยังอยู่ในเงื่อนไขของปฏิจจสมุปบาทก็หมุนกันไปดังนั้นในการจะรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นจึงไม่ใช่เป็นการรู้ด้วยธรรมดาแต่จะต้องเป็นการรู้ด้วยญาณที่สมบูรณ์เท่านั้นเองจึงจะรู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทได้ บุคคลทั่วไปยกเป็นพระอรหันต์จึงจังอยู่ในโมหะส่วนที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอยู่ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่บุคคลจะต้องเพิ่มพูนปัญญาขึ้นเพื่อมองเห็นสภาพจิตของตนในแต่ละขณะว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะโดยอาศัยดูสภาวะของจิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจต่องความสงบสุบต่อไป